ตอนที่131อยากได้ลูกชายจนบ้าไปแล้วไม่มีเงินแล้วจะอยากมีลูกไปทําไมเกิดมาเด็กก็ต้องลําบากเปล่าเปล่าเจ้าชุนฮาวาเบะปากพลางเอ่ยจิ ก, กัดด้วยน้ําเสียงประชดประชันในเมื่อไม่อยากได้ตอนแรกก็ควรจะเตรียมตัวให้ดีตอนนี้มาเซาซีเหมาะให้เอาเด็กออกช่างเป็นบาปเป็นกรรมจริงๆรลี่ชิงผิงรู้สึกว่าคําพูดของแม่สามีนั้นมีเหตุผลการจะมีลูกจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าแม้ว่าเธอจะตั้งคันลูกคนที่สองโดยไม่คาดคิดแต่ด้วยฐานะทางครอบครัวในตอนนี้ต่อให้จะมีเพิ่มอีกกี่คนก็เลี้ยงห โจเจียนเ ย, ย่ไม่อยากมีลูกแต่กลับปล่อยให้หลิวเคอเคอตั้งท้องนี่มันพฤติกรรมของผู้ชายเฮงสวยชัดๆอย่างไรก็ตามความไม่รับผิดชอบของผู้ชายคนนี้มันฝังรากลึกมานานแล้วขนาดกับผู้หญิงที่เขาดึงดันอยากจะแต่งงานด้วยนักหนาเขาก็ยังทําตัวแบบเดิมทุกครั้งหลีชิงถิงมักจะนึกดีใจที่เธอรีบอยกกับโจเจียนเย่ยไปเสียก่อนหากต้องถูกผู้ชายคนนี้ฉุดรั้งไว้ทั้งชีวิตของเธอและเสียหวานคงจบสิ้นไปแล้วและลูกสาวของเธอคงไม่มีโอกาสได้เรียนที่มหาวิทยาลัยการแพทย์อย่างทุกวันนี้ เรื่องของเราสองคนต้องให้คุณมาสอดด้วยเหรอสงสัยจะกินอิ่มจนว่างมากนักหรือไงิวเคเคอร์อสวนกลับอย่างไม่เกรงใจพลางแค่นเสียงเหืประสาทใครบอกว่าฉันพูดให้พวกเธอฟังปากก็ปากฉันฉันอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากพูดตอนไหนก็พูดเจ้าชุนหัววากลอกตาบนบางคนก็นายยังจะเสนอหน้ามารับคำพูดไปอีกไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่ประสาทแม่คะพวกเราออกไปรอกันข้างนอกก่อนเถอคะค่ะ ลี่ชิงพิงเห็นว่าพวกเขายังคงทะเลาะ ก, กันไม่เลิกจึงทําท้จะเดินกลับไปนั่งที่เดิมแต่คุณหมอก็รีเอ่ยขึ้นว่าอ้าวคนต่อไปคือพวกคุณไม่ใช่เหรอทางนั้นเขาเสร็จทุรนานแล้วเข้ามาได้เลยลูกคนที่สองของหลี่ชิงพิงก็เป็นคุณหมอท่านนี้ที่ช่วยทําคลอดให้ตอนนี้พอตั้งท้องคนที่สามเธอก็ยังคงมาหาคุณหมอคนเดิมการหาหมอคนเดิมจะช่วยให้คุณหมอเข้าใจสภาพร่างกายของเธอได้อย่างรวดเร็ว คุณหมอรู้จักสองแม่ลูกตระกูลเจ้าเป็นอย่างดีเพราะสามีของหลีชิงผิงคือรองผู้บัญชาการกองคนน้อยเขตทหารผู้โด่งดังถ้าทางที่คุณหมอใช้พูดคุยกับพวกเธอนั้นแตกต่างจากตอนที่คุยกับพวกหลิวเคอเคอร์ อ, อย่างสิ้นเชิงหลิวเคอรเคอร์อรู้สึกเดือดดาลในใจทำไมถึงต้องเลือกปฏิบัติขนาดนี้คุณหมอคะช่างเป็นพวกสุนัขดูถูกคนจริงๆโจวเจี้ยนเย่ยรู้ดีว่าในปากของหลิวเคอเคอร์ค ง, งไม่มีคำพูดดีๆออกมาแน่จึงรีบดึงตัวเธอออกไป ขอโทษด้วยครับเรื่องลูกพวกเราขอไปคิดทบทวนดูอีกทีรบกวนคุณหมอด้วยนะครับคุณหมอพึพรรมพำอย่างไม่สบอารมณ์มีอะไรต้องคิดอีกถ้าไม่อยากได้จริงๆทางฉันก็ช่วยเอาออกให้ได้แต่ต้องยอมรับผลที่ตามมาเองนะไม่เข้าใจพวกคุณจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้โวทําอะไรอยู่ถึงต้องรอมาจนถึงป่านนี้หากเกิดเหตุสุดวิสัยถึงแก่ชีวิตขึ้นมาทางคุณหมอและโรงพยาบาลไม่ต้องรับผิดชอบก็จริงแต่มันจะเสียชื่อเสียงเอาได้ครับ โจวเจีเจ้ยนเย่รีบเดินออกไปทว่าในตอนที่เดินผ่านหลีชิงผิงเขาสังเกตเห็นท่าทางของเจ้าชุนฮวาที่ช่วยประคองแขนของเธอไว้คุณหมอคะลูกสะพ้ยฉันมาตรวจคันเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะครั้งนี้พวกเราจะได้ยินเสียงหัวใจเด็กไหมคะคุณป้าคะเคยมีประสบการณ์มาแล้วคนหนึ่งก็น่าจะรู้อยู่แล้วนี่นาคุณหมอเอ่ยอย่างอารมณ์ดีแน่นอนว่าได้ยินค่ะเชิญทางนี้มาตรวจดูหน่อยนะคะมาจะค่อยๆเดินนะหลีชิงผิง โจจียย้ยียินอยู่หน้าห้องตรวจเขาได้ยินสิ่งที่คุณหมอพูดอย่างชัดเจนแววตาของเขาดูเหมือนลอยไปชั่วขณะหลีชิงพิงตั้งท้องอีกแล้วเหรอแม้จะไม่ใช่ลูกคนที่สองแต่การตั้งท้องครั้งนี้ห่างจากคนก่อนไม่นานแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของสามีภรรยาคู่นั้นดีมากโจจี้นเยี่นึกไปถึงตอนที่เขายังไม่ห่าหังจากหลีชิงพิงคลอดลูกเขาก็ไม่ได้แต่ต้องตัวเธอเลยเป็นเวลานานจะว่าไปแล้วการสัมผัสกันจริงๆของเขากับเธอนั้นนับครั้งได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวเสียด้วยซ้ำ ลิวเคอเคอสังเกตเห็นความผิดปกติของโจเจียนเ ย, ยเธอจึงกระทุ้งสอกใส่แขนเขาอย่างไม่พอใจคุณเป็นอะไรไปเปล่าไม่มีอะไรโจเจียนเ ย, ยรู้สึกว่าเรื่องลูกพวกเขายังตกลงกันไม่ลงตัวเขาตั้งใจว่าหลังจากคนข้างในตรวจเสร็จเขาจะเข้าไปถามคุณหมออีกครั้งหากการผ่าตัดมีความเสี่ยงมากเกินไปสู้ให้เด็กเกิดมาจะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวขอแค่มีข้าวกินสัตว์คำจะอดตายเชียวหรือคุณแทบจะเขียนคำว่ามีเรื่องไว้บนหน้าอยู่แล้วจะไม่มีอะไรได้ยังไง หลิวเคอเคอหาเรื่องต่อคุณยังมีความรับกับฉันอยู่อีกเหรอผมบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีคุณเลิกถามเ้าซีเสียทีได้ไหมโจจีน้นเยตวัตกลับอย่างรำคาญ ร, ร่างกายคุณ น, นี่มันติดง่ายเกินไปจริงๆฉันว่าพวกเราไม่ควรจะมีลูกเรอขนาดนี้สภาพครอบครัวเป็นยังไงคุณก็ใช่ว่าจะไม่รู้ตอนนี้ยังต้องเสียเงินเอาเด็กออกอีกทั้งเสียซีและทำทั้งเปลือเงินคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงกลายเป็นว่าเรื่องท้องนี้เป็นเรื่องของฉันคนเดียวงั้นเหรอ ฉันท้องคนเดียวได้หรือไงผมหมายความวม่าตัวคุณนั่นแหละที่มีปัญหาต่อไปนี้เราไม่ต้องมาแตะต้องตัวกันอีกจะได้ไม่มีปัญหาตามมาได้ไม่แตะ ก, ก็ไม่ต้องแตะคุณอยู่ห่างๆฉันไวเลยยิ่งดีไม่ใช่นั้นก็ทําตามที่แม่คุณบอกเราอย่า ก, กันไปเลยก็สิ้นเรื่องเอ๊ะพวกคุณสองคนเป็นอะไรกันเนี่ยที่นี่คือโรงพยาบาลไม่ใช่ที่มาทะเลาะ ก, กันนะพวกคุณกำลังรบกวนการตรวจคนที่คนอื่นอยู่ถ้าอยากจะทะเลาะ ก, กันก็กลับไปทะเลาะ ก, กันที่บ้านนูน่นคุณหมอทนฟังไม่ไหวเพราะเสียงทะเลาะของพวกเขามันดังเกินไป คุณหมอเดินออกไปไล่พวกเขาให้พ้นทางก่อนจะกลับมาตรวจร่างกายให้หลี่ชิงถิงต่อท้องนี้ยังไม่มีอาการแพ้เหมือนท้องที่แล้วเลยเหรอคะหมอเห็นคุณดูสุขภาพดีมากเลยนะถ้าไม่มีอาการอะไรเลยคงจะเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายและเชื่อฟังเหมือนที่ชายเขาแน่ๆคะหลี่ชิงถิงยกยิ้มมุมปากแต่ในใจลึกๆ ก, ก็แอบกังวลเพราะอาการตอนท้องครั้งนี้เหมือนกับท้องที่แล้วไม่มีผิดเพี้ยนไม่แน่ว่าอาจจะได้ลูกชายอีกคนและความฝันที่จะมีหลานสาวของคุณพ่อคุณแม่สามีก็คงต้องสลายไปอีกครั้ง ช่วงตั้งครรภไม่มีอาการไม่สบายตัวเลยแสดงว่าเด็กมีคุณภาพดีร่างกายลูกชายของคุณป้าแข็งแรงปึ๋งปังจริงๆค่ะคุณหมอเคยอธิบายเรื่องการไม่มีอาการแพ้ท้องให้พวกเขาฟังเมื่อครั้งก่อนหลีชิงผิงยิ้มอย่างเขินอายส่วนเจ้าชุนหัวาก็บกมือปัดถึงฉันจะไม่กล้าไก่เรื่องที่พวกเขาจะมีลูกกันแต่ตอนนี้ที่บ้านก็ไม่ได้ขาดแคลนเด็กๆนะในความคิดฉันนะพอคลอดคนนี้แล้วก็พอหนีลูกมากแม่จะเหนื่อยเอาชิงผิงต่อไปเธอก็ต้องมาลำบากเหมือนฉันคอยดูแลคนนั้นทีคนนี้ที แห่แหหมอว่าวาสนาดีๆแบบคุณป้านี่คนอื่นเขาอยากจะมีแต่ไม่มีกันนะคะคุณหมอเอ่ยแทรกขึ้นเพื่อปรับบรรยากาศนั่นก็จริงจ้าครอบครัวของเจ้าชุนฮวานั้นมีลูกหลานเต็มบ้านซึ่งถือเป็นเรื่องมงคลไม่ว่าจะเป็นหลานชายหรือหลานสาวเธอก็รักทั้งนั้นโจจี้นเ ย, ยและหลิวเคอเคอตัดสินใจที่จะเก็บเด็กไว้ส่วนเรื่องจะเลี้ยงดูอย่างไรก็คงต้องเลี้ยงไปตามยาถากรรมความกดดันอาจจะเป็นแรงผลักดันก็ได้หากตอนนี้เอาเด็กออกไปเกรงว่าจะต้องตายทั้งกลม นิวซูเฟินและคุณพ่อโจหลังจากขายบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันพวกเขาออกไปหางานทําจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนขอแค่ได้เงินก็พอในบ้านเริ่มประหยัดกันทุกวิถีทางลิวเคอเคอมองออกแล้วว่านี่แหละคือแรงผลักดันเพื่อหลานชายถ้าไม่ใช่เพื่อหลานชายพวกเขาสองคนไม่มีทางทําขนาดนี้แน่เธอก็เริ่มคาดหวังว่าเด็กในท้องคนนี้จะเป็นลูกชายจะได้ไม่ทําให้เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นตรงหน้านี้ต้องเสียเปล่า เธอเกรงที่สุดคือการที่พ่อแม่สามีจะกลับลำเปลี่ยนท่าทีและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อคลอดลูกชายแล้วเธอก็ไม่จำเป็นต้องมีลูกอีกต่อไป